เขาเป็นนักบวชเป็นผู้เกื้อกูลปาระความกังวลทุกอย่างโดยซื่อสัตย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจคารวะเจ้าเรือนซึ่งโลกทํากันอยู่น่าเฉพาะการปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสม่ําเสมอ อันภายในอันเป็นหน้าที่ของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆการปฏิบัติพระศาสนาต้องมองมันดูหลักของศาสนาธรรมที่พระศาสดาสอนไว้มีเป็นอันดับแรกซึ่งจะ มองข้ามไปนิดนึงเห็นมั้ยอันดับที่ 2 เราเป็นผู้มาศึกษามุ่งหน้าไปหาครูอาจารย์ถึงคนับแต่วันแรกเข้าไปถึงที่อยู่ของท่านพยายามสอดส่องไตรตรองดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความประพฤติที่ท่านพาดําเนินเราเห็นว่าถูกกับสติจิตใจของเรา ว่าเป็นผู้จะสามารถแนะนําคําสอนเรานะทั้งภายนอกและภายในโดยเรียบร้อยแล้วอันดับที่ 3 เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามดําเนินให้ถูกตามหลักของศาสนธรรมที่ได้เคยศึกษาและเรียนมาและ ที่ได้สัมเณียกศึกษาจากครูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าควรจะถือเอาหน้าตั้งหน้าดําเนินไม่เคลื่อนกรากจากทางเดินของพระหรือทางดําเนินของพระนี่เป็นหลักสําคัญสําหรับนักบวชเราการไปการอยู่ การทําการพูดการคิดทุกด้านอย่านําความอยากเข้ามาให้เป็นผู้นําทางแต่โปรดได้นําธรรมะเข้ามาเป็นหลักใจคือเฉมคิดทางหนึ่งของการกระทําการพูดการคิดทุกด้านการไปการมาให้มีหลัก ธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรียบร้อยแล้วค่อยดำเนินตามหลักธรรมะจะชื่อว่าเป็นผู้มีความเพราบเพลและสม่ำเสมอทั้งอยู่ทั้งไปทั้งความเคลื่อนไหวทุกทุกอาการและไม่มีสิ่งใดนอกเหลือไปจากธรรมะซึ่งเป็นเครื่องรับรองมาแก่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า ว่าจะไม่สามารถยังผู้ดำเนินตามให้ถึงความพ้นทุกข์ได้เป็นอันดับท่านนักปฏิบัติโปรดคลิปิเกนาในหลักธรรมที่กล่าวเหล่านี้ให้มากอย่าได้นําความยากเข้ามาเป็นครูอาจารย์จะกลายเป็นภาระศึกอยู่ก็จะไม่สะดวกสบายทั้งส่วนร่างกายและจิตใจ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 กันผู้ไกลครองยับน้อยแล้วค่อยเคลื่อนไหวไปมาธรรมพูดในกระนี้ที่ควรนี่เจว่าเป็นผู้มีสุขะโตอยู่ตลอดอิริยาบถจะไม่มีทุกขะโตเข้ามาสําคัญหรือเหยียบย่ํา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 เพื่อต้องการส่งเสริมสิ่งที่เคยพอกพูนอยู่ภายในหัวใจซึ่งเคยเป็นผู้นําทางมาแล้วเป็นเวลานานจะไม่มีสิ่งใดเป็นสิริมงคลจิตใจจิตกายวาจาของเราผู้เป็นนักบวชซึ่งนุ่งธรรมญาณนี้นักบวชต้องเป็นผู้หนักแน่ มีเหตุมีผลยากเป็นกว่าหฤทัยบอกว่าคนแก่อยู่ที่นี่ไม่สบายคิดว่าไปที่โน่นจะสบายไปอยู่ที่โน่นคืนนั้นไม่สบายคิดว่าไปที่โน่นจะสบายนี่ล้วนแลตั้งแต่คอยไกลให้เป็นไปตามทางเดินของธรรมอันลามก ที่เคยกระสิดจิตใจอยู่สมัยภูมิมีความหนักแน่นต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นเหตุผลที่สมควรแก่กันแล้วจะยากลําบากขนาดไหนไม่ถือเป็นปัญหาสําคัญแต่จะถือว่างานที่ตนได้พิจารณาซึ่งเห็นว่าชอบธรรมแล้วนั้นยังไงจะต้องสําเร็จขึ้นด้วย ความสามารถของปรมวิเทสนี่คือนักบทที่ตามเสด็จกับพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงนักพระธรรมวินัยที่สั่งสอนไว้อย่างไรให้ถือเหมือนดังองค์สมเด็จพระภูมิพระพากเจ้ามาประทานพระโอวาทโดยพระองค์เองอย่าเห็นว่าเป็นเพียงตํารับตํารา ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้เห็นว่าเป็นเพียงครูอาจารย์ไม่เห็นว่าเป็นเพียงหมู่เพื่อนบอกกล่าวสั่งสอนเท่านั้นโปรดได้เห็นว่าทุกข์ๆบททุกข์ๆบาทมาจากที่ต่างๆคือจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตําราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระโอวาทที่ชอบธรรมเร ซึ่งได้รับข่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าพระองค์ท่านทรงพระเมตตาประทานไว้เฉพาะหน้าสําหรับเราทุกๆท่านโปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยนอกไปจากองค์ของศาสนาพระธรรมวินัยนั่นแลคือองค์ศาสนาแท้รูปร่างเหมือนอย่างท่านๆเรา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 เพื่อสอนโลกไม่ให้ผิดหวังนั้นคือถ้าทําวินัยนั้นแหละเป็นองค์ของศาสนาแท้เพราะทั้ง 2 นี้ออกมาจากพระไตรปิฎกที่บริสุทธิ์สุดจวดไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานจริงไม่เป็นปัญหา กับกระทําในในจักนิพพานไปตามพระองค์เจ้าหรือไม่ธรรมนิพพานนั้นหมายถึงธาตุขันธ์ที่สลายตัวไปธรรมชาติที่เป็นความบริสุทธิ์อันยิ่งหมายถึงความพระไตรของพระองค์ท่านไม่มีสมมุติเป็นเครื่องช้าญคือปล่อยวางสมมุติเครื่องช้าญ ที่เคยประกาศให้โลกได้เห็นได้ยินโดยซึ่งเชิญได้แต่ขันธ์ทั้ง 5 ทั้งเหลือแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนไม่สามารถจะทําหน้าที่โดยความบริสุทธิ์เสียเองเพื่อประกาศสอนโลกได้เมื่อเป็นเป็นฉะนั้นพวกเราจึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหายสูญไป แท้จริงความบริสุทธิ์ไม่มีส่วนใดที่จะขาดสูญไปให้โลกได้หมดความหมายในพระพุทธเจ้าพระธรรมคือหลักความจริงก็ไม่มีเนี่ยใดหรือส่วนใดจะสลายตัวไปเช่นเดียวกับธาตุขันธ์อันเป็นส่วนสมมุติพอที่ผู้ปฏิบัติ หมดหวังในการปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีผลเนื่องจากธรรมได้สลายไปแล้วตามพระพุทธเจ้าความจริงแล้วพุทธะคือความบริสุทธิ์แม้จะไม่มีเครื่องสมมุติประกอบเข้าเพื่อประกาศประโยชน์ให้โลกได้รับดังที่พระองค์ท่านยังทรงประชนอยู่ก็ตามแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ต้องเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นตลอดไป เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อยังทรงพระชนอยู่เวลาทําประโยชน์แก่โลกพระองค์ท่านก็ทําเวลาไม่ทําก็เป็นความบริสุทธิ์ดูเฉพาะพระองค์ท่านเช่นนั้นนี่ธรรมชาตินี้ไม่มีการเสื่อมสูลไปตามสิ่งสมมุตินิยมของโลกซึ่งอยู่ในข่ายแห่งไร้เพราะเหตุว่า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 จะทำประโยชน์แก่โลกทุกๆชั้นที่สมควรจะได้รับประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่กําลังความสามารถของตนต่างๆไม่ได้หมายความว่าธรรมะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปความจริงนั้นอยู่ที่ไหนก็มีตลอดสายไม่เคยละความจริงหลักธรรมะก็คือความจริง จึงไม่มีการเคลื่อนไหวไปตามสิ่งปรอมแปลงทั้งหลายหากธรรมะได้มีการเคลื่อนไหวหรือเอียงเอนไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือยั่วยวนแล้วธรรมะก็เป็นแบบโลกๆไม่มีใครจะไว้วางใจวางใจได้จะถือเป็นศาสนะหรือเป็นหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้แต่นี่ก็เพราะธรรมะคือเป็นหลักธรรมชาติทรงตัวอยู่ โดยสมบูรณ์ใครจะทมเชยสนับสนุนก็ต่างใครจะตำหนิติดชมก็ต่างใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต่างธรรมก็คือธรรมจะให้เป็นไปตามความตำหนิติดชมของคนนั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาแล้วก็เหมือนหนึ่งว่า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 ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามอําเภอใจซึ่งเคยเป็นมาและให้ผลอย่างไรบ้างเราผู้เคยคล้อยตามจึงเหล่านี้ทราบได้ด้วยดีหากจะเป็นนักสังเกตตัวเองนอกจากกับเป็นแบบที่ลอยลมไปตามปกติแล้วจะไม่มีทางทราบความถูกผิดของตัวเองผู้นั้นจะหาหลักเกณฑ์หรือตั้งตัวไปไม่ได้ ถึงจะไปอยู่กับครูอาจารย์องค์ใดก็สักแต่ว่าเหมือนกับทัพพีที่เราคนอยู่กับแกงวันข้างแต่หารู้รสชาติแห่งรสแกงนั้นหม่ไม่เหมือนลิ้นแม้จะอยู่ห่างไกลกว่าทัพพีก็ตามแต่เมื่อรสต่างๆเข้ามาสัมผัสแล้วย่อมทราบได้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 คือไม่รู้รสรู้ฉากแห่งความลึกซึ้งหนาบางของธรรมะที่ท่านแสดงออกมาแต่ผู้มีความฉลาดเพียงผ่านเข้าไปก็สัมผัสความลึกซึ้งหนาบางแห่งธรรมะที่ท่านสอนไว้จะก้าวเข้าไปสู่สํานักครูอาจารย์องค์ใดๆก็ย่อมทราบได้ดีในความลึกซึ้ง หนักเบาของสำนักนั้นๆของครูของอาจารย์องค์นั้นน่ะแล้วนําเข้ามาแก้ไขดัดแปลงตนได้ทันทีที่ได้ไปรับสัมผัสเช่นนั้นนี่คนประเภทนี้เหมือนกับตลิ้นคอยจะรับรสรับชาติอยู่เสมอใจคอยจะรับรสรับ ชาติจักธรรมะไม่ยอมปล่อยวางนี่คือผู้จักก้าวหน้าทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านความเจริญฉลาดทั้งความรู้ภายในใจจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลําดับลําดับเค้าทําที่กล่าวพระนั้นสนับสนุนท่านนักปฏิบัติทุกๆท่าน ไม่เคยผ่านครูผ่านอาจารย์ไม่เคยผ่านตำรับตำราที่ท่านวางไว้เป็นแบบฉบับอันตายตัวมากกำนันมากได้คิดสนใจกับธรรมะเหล่านั้นกับครูบาอาจารย์เหล่านั้นมาเพื่อตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่โกรธคิดให้ถึงใจถ้าตั้งใจจะเป็นผู้สร้างตน ให้เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสง่าราศีเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอํานาจวาสนาจากหลักธรรมคือการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังโดยเสด็จกับพระพุทธเจ้าจริงๆโตติชให้ถึงใจอย่าดูเพียงผิวเผินอย่าคิดเพียงผิวเผิน อย่าไปอย่ามาอย่าทําเพียงผิวเผยศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องผิวเผินแต่เป็นหลักของโลกของธรรมจริงๆผู้มุ่งต่อธรรมก็ตักสามารถจะตักตวงเอาผลได้อย่างสมใจด้วยข้อปฏิบัติของตนผู้ปฏิบัติทางโลกนําธรรมะไปปกครองหน้าที่การงานบ้านเรือนก็จะเป็นภูมิความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงผู้ใหญ่ สุดไวนับแต่ 3 บรรณขึ้นไปจนถึงพระเถระหากได้นำธรรมะเครื่องรับรองอันแท้จริงนี้เข้าไปปรับปรุงตนเองแล้วไม่มีสิ่งใดจะผิดหวังทั้งทางลบและทางธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจะเป็นของผิวเผยผิวเผินหรือละและไปอย่างไรนอกจากเราจะเป็นคนละละ เป็นคนไม่จริงเป็นคนโยกคร่อนอยู่ตลอดเวลาตั้งตัวไม่ได้เป็นคนจับจดทําอะไรไม่จริงไม่จับมีความเกลียดชังความอึดแอเป็นเจ้าเรือนฝังอยู่ภายในใจหลับไม่มีตื่นคือทํา คือกล่าวนี้คือทํารามกสําหรับพระเราญาณนํามาเกี่ยวข้องทําตัวให้เป็นที่อุ่นอกอุ่นใจของตัวทําตัวให้เป็นที่มั่นใจของตัวด้วยข้อปฏิบัติทุกวิธีทางนี่คือหลักของพระเมื่อทําตัวให้เป็นแบบฉบับของตัวຫນາດทําตัวให้เป็นที่อุ่นอกอุ่นใจของตัวຫນາດ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 โลกจึงต้องอาศัยโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะใดๆทั้งนั้นศาสนาก็ให้ความอบอุ่นแก่โลกได้เท่าที่ควรแก่ความสามารถของโลกจะอ่ําเอื้อนได้แค่ไหนด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนไหนเราเป็นผู้มาบวชในพระศาสนาจะมีแต่ความหมดหวังอยู่ภายในใจ children, theictus, theugh key and the Adobe, the Taims and Thessy're, into something that informs oven the unfairly left to pass, which is related to the Laws which is blatantly twisted, letting thechin and the Dalek prepare the pollution wrap, we have a thought, because同じ reason God doesn't mean things cannot be a proper we need someíz look at the higher margin, so we need it to continue to meet MXNs, we need to treat people and find a terrorist that rebuild again ได้มันคงต่อหน้าที่กันน่ะถ้านักบวชเป็นคนขี้เกียจจะสอนโลกให้มีความขยันหมั่นเพียรย่อมสอนไม่ได้นักบวชเป็นผู้สังสมกิเลสอาสวะทั้งวันทั้งคืนจะไปสั่งสอนโลกให้ปล่อยวางเครื่องกังวลวุ่นวายจะสอนโลกให้ปล่อยวางได้ยังไงนักบวชเป็นผู้หยาดช้าลามกจะสอนโลกให้ให้เป็นคนดีได้ยังไง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 ไม่เลือกเป็นครูนาถเพราะทําตัวให้เป็นแบบฉบับได้ทางความประพฤติก็ไม่มีใครเสมอเหมือนทางความความหยันมั่นเพียรเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังก็ไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าพุทธพูดถึงการรักษาศีลก็มีความเขมวดกดพันไม่มีใครจะเทียมทัดพระพุทธเจ้าสมาธิก็พระพุทธเจ้าเป็นองค์หนึ่ง ปัญญาก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าวิมุตติก็หลุดพ้นถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยพระองค์ได้ถึงความจริงความจังเป็นแบบฉบับในพระองค์ท่านโดยสมบูรณ์แล้วจึงสามารถจะสอนโลกให้ได้ดําเนินเดินตามพระพุทธเจ้าได้เท่าที่กว่านั่นน่ะแบบของโลกเป็นอย่างนั้น แผนของเราจะปฏิบัติเพื่อฉุดนาคเราให้ขึ้นจากหล่มลึกซึ่งฝังเคยฝังอยู่ในหัวใจนี้เราจะทําแบบไหนนําแบบไหนมาใช้แบบความอ่อนแอแบบความขี้เกียจแบบความไม่คิดอ่านแบบเอาตามอําเภอใจนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า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 ลงทําความขมักขะม้นทําความพออกพอใจและยินยอมยอมต่อหน้าที่ของตนโดยไม่คํานึงถึงความหนักเปาแห่งหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบทําซึ่งตนจะควรกระทําให้สําเร็จนะวิริยะสอนให้พากเพียรเพียรทุกทุกวิธีทางที่เห็นว่าชอบทําแล้วให้พยายามเพียรทําความเพียร <c oughs> ทำสิ่งใดเพียรคำให้สําเร็จพูดสิ่งสิ่งใดพยายามเพียรพูดให้ถูกต้องตามหลักธรรมอย่าพูดให้เผลอคิดสิ่งใดเพียรคิดให้ถูกตามเหตุตามผลซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคิดออกไปข้างนอกก็เพียรคิดให้ถูกคิดเรื่องของส่วนตัวก็เพียรคิดให้ถูกคิดเรื่องของหมู่เพื่อนก็พยายามเพียรคิดให้ถูกอย่าคิดเป็นเรื่องผิดใส่บุคคลหรือใส่โลกหรือใส่ตัวเอง นี่ท่านเรียกว่าเพียรเพียรอย่างนี้จิตตะมีความฝักใฝ่ใกล้ที่จะคิดจะอ่านจะทําในกิจหรือในหน้าที่การงานของตนเสมอโดยไม่มีการลดละเป็นผู้มีความฝักใฝ่เช่นนั้นไม่มีตืดจั่นเหมือนเกลือที่ไม่ยอมปล่อยรสชาติของตนให้เป็นอื่นไปฉะนั้นนี่ผู้มี ความผักผัยต่อหน้าที่การงานของตนย่อมเป็นเช่นนั้นภาพคิดจากนั้นแล้วไม่จัดมาเป็นฉันทัพก็เป็นจิตตะวิมังสาเรื่องของจิตแล้วจะคิดทั้งวันทั้งคืนดูเฉยๆไม่ได้ผู้มีวิมังสาแล้วต้องทราบเรื่องความผิดของตนว่าคิดไปในทางที่ถูกหรือผิดพยายามไตร่ตรองทดสอบ ช่างตรวจดูความคิดดูขนที่เกิดขึ้นจากความคิดดูเหตุที่เป็นเหตุให้คิดมีอะไรเป็นสาเหตุถูกหรือผิดต้องตามสอดรู้เสมอหน้าที่การงานไม่ว่าภายนอกภายในถ้าปราศจากที่มังสาคือความใคร่ครวญแล้วจะไม่สําเร็จเรียบร้อยลงได้ความดีนําเลยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตธุระภายใน น่าจะการชำระติดไปทั้งตนให้มีความสะอาดท้องไส้ขึ้นเป็นหลักหากปราศจากที่มังสาคือปัญญาแล้วจิตก็จะคลื้อไปอย่างนั้นถึงจะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแบบคลื้อๆไม่มีความคล่องแคล่วแก้วใสท้องไส้อาฐานถ้ามีมีมังสาเป็น <c oughs> <าม> <c oughs> ผู้ตามรักษาเป็นผู้พานําทางแล้วสมาธิก็ลงอย่างถึงใจสึกอะไรก็รู้อย่างถึงเหตุถึงผลไม่มีสิ่งใดจะลี้รับต่อปัญญานี้ได้นี่นี่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ฉันทะวิริยะจิตตะนิมังสานี่คือผู้ปฏิบัติปฏิบัติ ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนตนและส่วนรวมทั้งผู้จะบำเพ็ญโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะหนีจากหลักธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้ไปไม่ได้จึงควรจะเรียกให้ว่าธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้คือหลักของโลกและของธรรมโลกกับธรรมจะมีความเจริญรุ่งเรืองไปหากปรากฏจักธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้แล้วจะต้องบกพร่องหรือด้อยในส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศาสนาหากขาดธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เอือไม่สมหวังธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้ถ้าผู้ใดเจ้าประทานไว้เพื่อใครเราเป็นนักบวช สมภูมิเต็มที่แล้วที่ควรจะเทิดทูนธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้ให้มาเป็นเครื่องประดับเกียรติของพระดูภายในใจขยายออกมาทางความประพฤติหน้าที่การงานให้สําเร็จลงด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์เป็นที่โปรดได้พากันแก้กันน่ะ อย่าเห็นอะไรไม่สําคัญไปเสียทั้งสิ้นที่ทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวแต่อย่าเห็นสิ่งที่เป็นแค่ภรรยาเป็นสิ่งสําคัญนี่ไม่ใช่ทางของนักบวชจะเสาะแสวงหรือสนใจคิดอ่ะจนถึงกับต้องทําไปตามอําเภอใจที่คิดขณะ ตัวได้ทําความหนักแน่นนี่เป็นหลักสําคัญผู้หนักแน่นคือผู้มีชั้นจิตที่บากสิถ้าไม่หนักแน่นแล้วแสดงว่าไม่การสั่งสอนหมู่เพื่อนก็รู้สึกว่าเป็นกําลังจะให้มีธรรมสามารถฉลาดรู้ สอนยิ่งไปกว่าที่เคยสอนมานี้ผมก็ยอมจัดลงหมู่เพื่อนม้าอาศัยรับความเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ต่อกันแล้วไม่พยายามสอนเต็มกําลังความสามารถไม่มีปิดบังเรี่ยมทั้งภายนอกภายในทั้งส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดสอนไปหมดแล้วดูอนาคต ของหมู่เพื่อนก็พยายามดูหลักปัจจุบันของหมู่คณะสมัครหลักปัจจุบันนี้แหละที่จะทําความเจริญหรือเสื่อมในอนาคตไม่มีสิ่งใดที่จะทําอนาคตให้เจริญหรือเสื่อมไปนอกจากหลักปัจจุบันที่กําลังดําเนินอยู่ในเวลานี้เท่านั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามองข้ามหลักปัจจุบันเพื่ออนาคตเวลานี้เป็นอย่างไรตัวของเรานิสัยใจคอเป็นอย่างไร แต่น้ำมันคงดูออกแบบค่อนข้างมีช่องโหว่อยู่ที่ตรงไหนเลยรั่วไปหมดทั้งตัวเหมือนอย่างตะกร้านี่ถ้าเราตั้งใจดูก็จะรู้ไม่ถึงกับจําต้องยกขึ้นสู่ต่อไปให้มันไหลลงดับไฟไปหมดเหมือนอย่างหม้อที่รั่วนั้นโธ่น่าถ้าขนาดนั้นก็รู้สึกจะเหลือประมาทเราจนไม่มีโอกาสจะทราบเรา ว่าเรารู้ว่าขนาดไหนทั้งๆที่เราเป็นนักปวดซึ่งเป็นประเภทที่พิจารณาอยู่แล้วเหตุใดจึงไม่สามารถความบกพร่องจุดตัวไหนของเราที่จะนํามาแห่งความทุกข์เผารนตนอยู่เสมอต้องทราบถ้าตั้งใจพิจารณาสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีไม่ว่าขั้นใดถ้ามีหลักอธิบากทั้ง 4 เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุน จะนับวันเจริญก้าวหน้าสมาธิไม่เคยมีก็จะมีขอให้ทําตามแบบของพระพุทธเจ้าสอนทั้งวิธีทําทั้งอุปายที่จะทําทั้งทําเครื่องสนับสนุนคือความเพียรเป็นตัวจะเป็นผู้เห็นสมาธิขึ้นในจิตที่กําลังฟุ้งซ่านหรือในจิตดวงฟุ้งซ่านนั้นโดยแน่นอนอมัปปัญญาเราได้ยินแต่ชื่อ ท่านที่หมายเอาความฉลาดก็ฉลาดต่อเรื่องของเรานั่นแหละเมื่อพอตัวแล้วความหลุดพ้นจากความโง่ก็เป็นขึ้นเองอันเรียกว่าวิมุตติจิตถ้ายังมีเจตสกรรมอยู่ก็มาฉลาดเต็มภูมิไม่ได้ในหลักธรรมเมื่อปราศจากสมมุติโดยสิ้นเชิงเมื่อไหร่แล้วถ้าว่าฉลาดหรือไม่ฉลาด ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะหมดเรื่องที่จะพูดกันแล้วทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิไม่ได้นี่โทษผ้าไหมถ้าท่านผู้ปฏิบัติไม่สามารถจะทรงตนไว้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญายังกระทั่งถึงมือหมดแล้วกว่าหมดทางสําหรับผู้ที่จะสอนก็พูดถึงเรื่องโอกาส วาสนาหน้าที่การงานเราสมบูรณ์ทุกด้านแล้วที่จะทําได้ทุกๆขณะโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางนอกจากการนอนอยู่กับความนอนกลางเท่านั้นอันนี้สุดวิสัยที่จะพูดถึงและที่จะสั่งสอนกัน วันนี้ก็ธรรมนิตนได้วันหน้าก็คือคนๆนี้จะหาที่ชมที่ไหนมานี่ถ้ามันบำเพ็ญธรรมที่ควรจะชมให้ได้เป็นสมบัติเพื่อจะชมตนเองมีแต่เรื่องธรรมนิเค้าเองทั้งวันในเอียบทที่เคลื่อนไหวไปมาเราจะหาธรรมที่ควรชมได้ที่ไหนในตัวของเราน่ะเราต้องคิดพยายามบำเพ็ญตนเองมันนี้ให้ได้มีความชมตนเองอ้าวพยายาม ตลอดไปมันหน้าอีกให้ในระดับมันนี้พยายามเป็นลําดับน่ะจะมีตั้งแต่ความชมภายในตัวคนเราเท่าไหร่ของดีแล้วก็มีความได้มีทางจะชมกันทําชมกันสุดยอดแห่งความชมภายในใจของเรานี่เท่านั้น